จเจริญพรท่านปัญญาชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทุกทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาของการขวังธรรมก็ตั้งอกตั้งใจให้ดีวันนี้เกี่ยวกับว่าก้าวขัน้นการข้าวคอสปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาส ของโยมยินดีเป็นวันเกิดวันที่ส7กเจ็เลยนัดเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกันทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันพิเศษโดยเฉพาะเป็นวันออกปัรษาให้เราก้าใจว่าการออกปัญษาของพระ คือแรมคำหนึ่งในวันนี้พระก้าวันษาสามเดือนทำพิธีออกในอุโบสถเมื่อวานคือสิบห้าคำแล้วก็ต้องออกแรมหนึง่งคำคือตอนเช้าของเกินวันที่สิบห้า นี่การออกปัญษาของพระก็ทำสองอย่างอย่างหนึ่งก็แบบพระธรรมอย่างหนึ่งก็แบบวินัยแบบวินัยก็ต้องทำที่โลบโบสถในบุบสถนั่นคือแบบพระวินัยแต่แบบพระธรรมนี้เราไม่ได้ออก แบบพระวินัยแต่เป็นการออกจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในครั้งพุทธกาลมีพระบางพวกสองรูปบางสามรูปบางการาบราพระพุทธเจ้าเมื่อขอโอวาทเจ้าพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลีกไปจำพรรษา ในป่าบ้างในภูเขาบ้างในถ้าบ้างตามความเหมาะสมแล้วท่านก็ไปปฏิบัติเมื่อออกพรรษาท่านก็กลับมาคว้าพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลาสามเดือนพอดีทีนี้ในสามเดือนนั้นท่านปฏิบัติ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรท่านก็มาเจ้ากับว่ามาขึ้นอารมณ์นในสมัยนี้ก็มือมากราบทูลผลกับพระพุทธเจ้ามาถึงกราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างการขบการฉันจะดวกสบายไหม พอเป็นไปได้ไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็จะถามเรื่องภาคแห่งการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรที่เธอไปปฏิบัติอยู่ที่นั้นก็บอกกันตามลำดับเช่นว่าในภิกษุที่ไปจำพรรษาด้วยกันก็กราบทูลพระพุทธเจ้า แต่ละองค์แต่ละองค์ว่าข้าพระองค์เมื่อจําพรรษาอยู่ก็าอาธิษฐานจิตคือพระนี่ต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตว่าเมื่อเข้าพรรษาจะไม่คิดไม่คิดนอกสถานที่คือเอาเฉพาะแต่ในบริเวณวัดเท่านั้น ทีนี้ถ้าวัดมันกว้างอ้าร้อยไร่เราทำยังไงทีนี้เรคิดกันอยู่ในอ้าร้อยไร่นั้นน่ทีนี้พระองค์ก็ยังไม่สาธุยังไม่สาธุกลไปรูปที่สองอีกรูปที่สองก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ในระยะที่จำพรรษาอยู่สามเดือนนั้นข้าพระองค์ ก็จะให้จิตอยู่เฉพาะภายในกุติเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่สาธุอีกไม่สาธุอีกเพราะในกุติมันมีเรื่องที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรยเยอะแยะองค์ก็ไม่สาตุที น, นี้อีกองค์หนึง่งอีกรูปหนึง่งนั่นยังไงทีนี้อีกรูปหนึง่งท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ถึงอ ก, กถึงใจทีนี้พระองค์ท่านไม่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันนอกไปจากจิตนอกไปจากร่างกายนี้เท่านั้นพยายามที่จะศึกษาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นคือดูจิตแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นปรองอยู่ที่ตรงนั้น้าพระลองทำอยู่ที่ตรงนั้นพระเจ้าข้า คือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นจิตก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นเวทนาก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นในจิติปัฏฐานสี่น่ไม่ว่าเป็นกายไม่ว่าเป็นเวทนาไม่ว่าเป็นจิตไม่ว่าเป็นธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นเลยเป็นยังไงดีนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยว่าสาธุสาธุให้พระภิจูรูปนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่จุดของการปฏิบัติธรรมก็คือการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูว่าร่างกายเป็นของกูจิตใจเป็นของกูไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นเลยแัะเพธมาราังปิเนเวสายะ สิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมนั่นแหละธรรมชาติทั้งหมดน ah ั่นแหละสิ่งทั้งปวงตาก็สิ่งทั้งปวงหูก็สิ่งทั้งปวงจมูกลิ้นกายใจก็สิ่งทั้งปวงรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะธรรมารมก็สิ่งทั้งปวงผัสสะทางตาหูจมูกลิ Hass ้นกายใจก็สิ่งทั้งปวง เวทนาคือความพอใจไม่พอใจเฉยๆทั้งหกก็คือสงคือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นทั้งตาทั้งรูปทั้งจักกูวิญญาณทั้งปัจจาทั้งเวทนาหรือว่ามันจะเลยเถิดไปถึงตัณหา ก็รู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมันเนีมันก็ดับทีนี้ซึ่งทั้งปวงมันก็ดับเพราะาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันนั่นเองคือว่างว่างว่างอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นองนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามว่านี่ภิกษุทั้งหลายมีกุติอยู่หลังหนึ่งเป็นเรือนยอด หลังคาเป็นเรือนยอดเป็นเรือนยอดนี่มันก็ไม่มีสมัยนี้ก็มีสมัยก่อนสมัยโบราณโน้นคือทำแบบโดมแบบโดมอย่างนั้นแตทีนี้เมื่อมีกุติกขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็มีหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันออกว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตอน้องโมงสามโมงเช้าแดดก็ส่องมา เมื่อแดดส่องมาทางหน้าต่างที่นี่แสงนั้นจะไปตกที่ตรงไหนเคร็กสุก็กราบทูลว่าจะไปตกอยู่ที่พื้นพระเจ้าค่ะรองก็ถามต่อว่าถ้าพื้นมันไม่มีแสงแดดนั้นจะไปตกที่ตรงไหนไปตกที่แผ่นดินพระเจ้าค่ะถ้าแผ่นดินไม่มี จะไปตกที่ตรงไหนจะไปตกที่น้ำหรือเจ้าค่าถ้าน้ำไม่มีไปตกที่ตรงไหน to จบนี่คือเรียกว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนทุกอย่างนี่มันว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนทั้งนั้นเลยทุกอย่างเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนก็คืออนิจจังนั่น อ น, นิีจังค him, ือมันไม่เที่ยงทุกขังอย่ากข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันทุกอย่างข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้เราทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอัตตามันไม่ได้อยู่นิ่งนิ่งเราดูกับตาว่าอยู่นิ่งนิ่งแต่ถ้าดูกับปัญญามันไม่ได้หยุดนิ่งเลยไม่ได้หยุดนิ่งเลยจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาอนัตตา อ น, นัตตก็คือไม่ใช่อัตตานั่นเองไม่ใช่ตัวตนนั่นเองอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังก้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอที่เป็นสุขเป็นสุขเพราะเราก้าไปยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่าความสุขแต่ความสุขนั้นมันไม่ยั่งยืนไม่ตาวรความสุขนั้นมันก็เกิดดับ ก็เกิดดับปรสุขแวบเดียวหายไปแล้วแวบเดียวหายไปแล้วเราก็หาต่อหาต่อทางตางก็หาต่อทางหูทางจมูกลิ้นกายใจสเสวงหาต่อความสุขแต่มันไม่จริงเหมือนกับเราไปจับเงาอย่างนั้นมันไม่มีมันไม่มีจับมันไม่ติดทีกทีนฉะนั้นสุขขังไม่ใช่ ทุกขังต่างหาทุกขังเรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะให้เกิดทุกขังขึ้นมาอานิจจังทุกขังเราก็ไปคิดเอาเองเพราะความกลัวเพราะความโง่ก็คิดว่าเป็นอัตตาตัวเรานี่เป็นอัตตามีตัวตนขึ้นมาถ้าเราแยกเหมือนที่เราสวดเมื่อตะกี้นี้ว่า อาการสาสองแยกออกดิแยกออกเป็นสามสบสองกองดิอาการสามสิบสองแยกออกแยกออกแยกออกอกอนผมแยกไว้ส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งถอดเล็บส่วนหนึ่งรอกหนังส่วนหนึ่งแร่เนื้อส่วนหนึ่งเอาเอ็น ส่วนหนึ่งนี่แต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนแยกอะไรได้สามสิบสองกองไหนตัวนกูมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยตัวกูมันอยู่ตรงไหนมันหมดดูสกรปรกดูไม่ได้เลยสกรปรกทีนี้าถามว่าแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนหาไม่เจอแล้วมันเป็นส่วนส่วนสวนสวนสวนหรือว่าเรา หรือว่าไม่ใช่เรานายโกคาดเขาเรียกว่านายโกคาดนายโกคาดคือคนฆ่าโกพอฆ่าโกเสร็จก็กดแยกส่วนไปเตื้อหนังออกไปเนื้อออกไปเอ็นออกไปเนื้อสันออกไป อ, อะไรออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่ว น, น, วนทีนี้ พอแยกออกไปเป็นส่วนแล้วถามว่าไหนตัวโคอยู่ตรงไหนจุดรวมมันเป็นตัวโคแต่พอแยกออกไปมันหมดอันนี้เรียกว่าลำไส้อันนั้นเรียกว่าตับอันนู้นเรียกว่าไตอันนั้นเรียกว่าอะไรต่ออะไรเยอะเต็มไปหมดรวมแล้วสามสิบสองสาสบสองกองอ น, นี่นเรียกว่าอัฐที มีมัจจมิงกาเยในร่างกายนี้มีเรียว่าทวัตติงสาทวตติงสานี่มัน30มสจะาสหรือทวตติงสานี่32เ <c oughs> นี่ยมันไม่มีคนมีคนแต่ไม่ใช่คนมีสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์นี่แหละคืออนัตตาอนัตตาเราต้องแยก แยกตัวเราเองนี่แหละแยกตัวเราเองนี่แหละนั่งสมาธิพอจิตเป็นสมาธิาจันั่งแยกโกนผมไปไหว้กองหนึ่งเอากอนไปไหว้กองหนึ่งตอดเล็บไปไหว้กองหนึ่งเอาหนังไปไว้กองหนึ่งต่อตัวเองนี่แหละต่อที่ตัวตรงนี้แหละก็เลยไม่รู้ตัวตนไหนไปไหนนี่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาทีนนี้พอเห็นว่าอนัตนตา คือมันไม่มีตัวตนเพราะมันไม่มีตัวตนก็พูดอีกคำหนึ่งว่าว่างจากตัวตนความรู้สึกน่ว่างจากตัวตนไม่ขล้าไปยึดติดในเนื้อหนังเอ็นกระดูกแล้วว่างจากตัวตนมีตัวตนนั่งอยู่ตรงนี้แต่มันก็ว่างจากตัวตนเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าสุญญาตาสุญญาตาสุญญาตาคือว่างจากตัวตน นี้ดูที่ตรงไหนมันว่างจริงๆเนี่ยดูที่จุดศูนย์กลางจุดเซ็นเตอร์ของมันจุดว่างก็ดูที่จิตที่นี้ดูที่กายก่อนแล้วดูเท ท, ที่ที่เวทนาก่อนแล้วแล้วก็ไปดูที่จิตเออจิตนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดดับไม่ว่าสิ่งไหนสิ่งที่มันเกิดดับ ก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนถ้ามันไม่เกิดดับมันก็มีตัวตนหนึ่งมีตัวตนน่แต่ทีนี้มันเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนถ้าเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเองเนี่ยเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันคิดเรื่องเดียวมันก็ติดอยู่ที่เรื่องนั้นเนี่ยมันเที่ยง ถ้ามันเป็นสุขขังมันต้องไม่ดับที่ความสุขมันไม่จริงนี่ก็เลยเป็นทุก ข, ขังเพราะมันดับไปพอมันดับไปเช่นว่าสามีเสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้ภรรยาเสียชีวิตสามีก็เสียใจนี่นี่ว่าทุกอย่างเกิดดับ มีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับสิ่งที่เรารักก็ดีสิ่งที่เราไม่รักก็ดีมันเกิดดับดังนั้นในโลกในจักรวาลเกิดดับทำไมมันจึงเกิดดับก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนเนี่เพราะมันไม่มีตัวตนจริงมันมีตัวตนแต่มันว่างจากตัวตนเห็นมมีตัวตนแต่มันว่างจากตัวตนมีตัวตนคกอความโง่ แต่าเห็นว่างจากตัวตนเห็นด้วยปัญญาเห็นมีตัวตนตเห็นด้วยความโง่ก้าวไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นนี่เรียกว่าเราออกพรรษาออกพรรษาถ้าเราไม่ปฏิบัติคือเช่นว่าเราเป็นพระอย่างนี้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมคิดลวงนาแล้วออกพรรษาไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี้น เรื่อว่าบ้านอยู่โ น, น้นอยู่นี้อยู่นั้นอยู่ในที่ไกลออกพรรษาแล้วไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้ว่ากันไปออกพรรษาอย่างนี้ก็เหมือนวัวออกจากโคกเหมือนวัวที่เขาออกจากโคกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นจกตกจี่พรรษาพรรษาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเข้าพรรษา สามเดือ น, นี้ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดเจนพระจักกูบาลอย่างเนี้พระจักกูบาลปฏิบัติเคร่งครัดในพรรษาอธิษฐานจิตไม่นอนในพรรษานี้ยังไงยังไงไม่นอนเป็นเด็ดขาดปฏิบัติด้วยการทําให้มันเคร่งครัดนะจนอิเลียบทยืนอื่น ยืนเดินนั่งนอนซีเอิรียบทยืนได้นั่งได้นอนไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนนอนไม่ได้ไม่เอาไม่นอนไม่นอนทีนี้ตานก็อธิที่ตานจิตไม่นอนในพรรษานั้นเมื่อไม่นอ น, นก็ง่วงง่วงก็ไม่นอนยังไงก็ไม่นอนตาเจ็บทีนี้เจอาตาเจ็บขึ้นมาพอตาเจ็บขึ้น สั่งให้หมอมาดูตาหมอเขาบอกว่คุณไม่ได้นอนนี่มันก็เจ็บทีก็เอายานี้ไปหยอดยกันแล้วกันอหมอสมัยโบราณเขาก็เลยหยอดยาแต่ไม่นอนหยอดก็นั่งเหมือนที่หลวงพ่อนั่งเก๊ดอย่างนี้นันยามันก็ไม่เข้าทียามันก็ไม่เข้ า, า, ม, ม, ขามันก็ไหลหมดเห็นไหม หมอก็มาอีมาถามเป็นยังไงท่านดีขึ้นไหมท่านบมอกมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพอว่านั่งหยอดโอ้นั่งหยอดแต่ ย, ออายามันไม่ข้าว้ำาจา ย, ยังไงท่านกรุณานอนหยอดเถอะไม่ตามหมอหมอจะว่าให้นอนหยอดได้เอง น, นอนหยอดอะไรไม่ตามหมอจัางนั้นเพราะอาทิตฐานไว ว่าจะไม่นอนในพรรษานี้ก็เลยไม่หายพอไม่หายแป็นยังไงทีนไม่หายก็มาคิดมาคิดเออเราเจ็บตาจนตาบอดแต่ถ้าเราเจ็บตาก็เจ็บไปเราปฏิบัติดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่ตานั้นแค่ก็ดูเวทนาที่จิต จิตไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นตาถ้าอย่างนั้นมันก็จะเกิดดวงตาภายในขึ้นมาคือตาปัญญาท่านก็เลยนั่งคิดนั่งคิดก็เรียกว่าการรักษากายคือกายภายในจะเอาอะไรจะเอาตานอกหรือจะเอาตาใน ต, า, ต, า, นต า, นาเอาตานอกตาอนบอด้าเอาตาอยตานอกบอดตาในก็คือตาปัญญา ตานอกก็คือตาเนื้อเออนั่งคิดคิดคิดคิดคิดนั่งภาวนาภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาเออเอาตาหน่อยดีกว่าตานอกบอกจ้งางหัวมันไม่นอนหยอดเด็ดขาดเอ็นก็ไม่เอน็นทางพรรษานี้แหะนี่ท่านติดฐานจิต อธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วผ็ไม่ยอมนอนในภาษานั้นตั้งภาษาเลยนี่ก็เรียกว่าอาธิษฐานจิตอย่างนี้ทำโดยการอุกกริตอุกกริตคือทําอย่างที่ว่าตายเป็นตายตายเป็นตายยอมยอมยอมยอมเสียลูกตาเห็นไหมยอมเสียทนี่ยังไม่ถึงสามเดือนเลยเป็นยังไงทีนี้ตาของท่านก็บวมแดง อยู่มาอยู่มาตาของท่านก็ระเบิดเลยที่นี่ระเบิดพอตาระเบิดตาบอดพอตาบอดตาภายในพุดขึ้นมาทันทีเลยตาภายในพุดขึ้นมาทันทีเลยคือตาปัญญาเกิดทันทีตาภายนออกบดตาในเกิดทันทีเกิดสติปัญญาขึ้นมาทุกดับเกิดตาปัญญาขึ้นมาทุกดับหมด เอาอะไรที่นี่เราจะเอาอะไรบอกเราเองจะเอาตานอกหรือจะเอาตาไหนตาเอาตานอกก็เหมือนที่ทุกวันเนี่ยมันหลกอลกเราเราทุกวันเลยสีเขียวก็ชอบสีแดงก็ชอบเ็บอกว่าจะชื่อล้อจักรัานหนึ่งจะเอาสี อ, อะไรดีจะชื่อผ้าจากฝืนชื่อเื้อจากตัวหนึ่งเอาสี อ, อะไรมันหลอกเราทั้งนั้นเลย สี่อะไรอะไรก่าอนอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตาการยึดมั่นหรือมั่นมัน่นมันเป็นอย่างนั้นมันหลอกตานอกนี่มันหลอกแต่ตานอนนี่มันจริงตานอนมันจริงมันไม่หลอกใครคือตาปัญญาตาปัญญาพอความทุกข์ดับตาปุถุจิตแยกออกจากตาเลยแยกออกจากเวทนาเลย จิตแยกออกจากเวทนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนั่นแหละตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจไม่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูว่าไม่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตที่มีสติปัญญามันก็หลีกออกจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตที่ ไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นนี่เราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ออกพรรษาบางคนก็ออรับศีลทั้งพรรษาแล้วได้อะไรบ้างมันหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปการปฏิบัติไม่ใช่รับศีลอย่างเดียวไม่ใช่รับพระนัตรัยอย่างเดียวรับพระรตนาตรัยก็ต้องปฏิบัติต้องศึกษาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพระธรรมตัวแท้เป็นยังไงพระอริยสงฆ์ที่เป็นแก่นเป็นยังไงต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราดูกับตาเนื้อพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละพระธรรมก็คำพีใบาลานต่างๆพระสงฆ์ก็นั้นเนี่ที่บิณฑบาตอยู่ทุกวันน่ น, นี่ไม่เข้าใจเพราเราไม่ได้ศึกษาให้ลึกลงไป พระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระอริยสงฆ์คืออะไรไม่ศึกษาเข้าใจก็เคยเลยไม่ถึงแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าแก่นแท้ของพระธรรมแก่นแท้ของพระสงฆ์ถ้าถึงแก่นแท้ความทุกข์ดับหมดไม่มีเหลือดับหมดมมถ้าไม่กลัวตายมันก็จบนะคนถ้าไม่กลัวตายมันก็จบเออทีนี้ในงานนี้ ในงานที่เรามาข้าวคอดปฏิบัติธรรมนี่ตามที่จริงมีคนมากกว่านี้แต่ว่ากรุงเทพน้ากาลังที่จะท่วมกลัวน้ํำท่วมกลัวน้ํำท่วมบาทน้าท่วมจับจมบัดท่วมนั่นท่วมนี้เรากลัวน้ําท่วมแต่เราไม่เห็นน้ําท่วมกลัวน้ําท่วมไม่เห็นน้ําท่วม เป็นยังไงสองคำนี้กรัวน้ำจะท่วมบ้านท่วมช่องท่วมทรัพย์สมบัติไม่เห็นน้ำท่วมน้ำราคะท่วมที่จิตน้ำโทสะท่วมที่จิตน้ำโมหะความโง่ท่วมที่จิตท่วมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสติปัญญาหายหมดเห็นไหม สติปัญญาหายหมดท่วมทุกวันยังไม่เห็นแต่มากลัวน้าท่วมนี้น้ำท่วมนี้มันจะท่วมจั ก, กี่วันเราท่วมทุกปีเลยปีนี้มันท่วมหนักไปหน่อยหนึ่งก็ต้องทําใจต้องทําใจไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันอะไรมัน่นที่เสียก็เสียไปเราเกิดมาเราไม่ได้ อ, อะไรมาเลยไม่ได้ อ, อะไรมาแห้เราตายเราจะเอาอะไรไป ไม่อาอะไรทังนั้นนี่ไม่เออะไรทังนั้นเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่มันท่วมน้ำภายในยนี่มันน่ากลัวกว่าน้ำภายนอกไม่เท่าไหร่เมื่อกดเลิกท่วมมันก็แห้งไปเรื่ยไปตามเรื่องของธรรมชาติฉังนั้นไอ้น้ำภายในยนี่น่ากลัวนี่คือการปฏิบัติแบบจริงแท้ต้องปฏิบัติทำยังไง ยายน้ำราคะมันท่วมยายน้ำโทจส า, ามันท่วมยายน้ำคือโมหามันท่วมแต่น้ำจามน้ำนี่มันท่วมเป็นอย่างไงทีนี้สติปัญญาหายหมดสมบัติของเราทุกคนที่เรามาปฏิบัติธรรมันเราต้องการสมบัติคือสติปัญญาเมื่อเราได้สติปัญญาตัวนี้ขึ้นมา แม้แต่ตายเราก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวเราไม่กลัวมันตายก็ตายไปไม่เช่กูเจ็บก็เจ็บไปไม่ใช่กูแก่ก็แก่ยไปไม่ใช่กูมันไม่ใช๊กูนี่มันไม่ใช่กูมันเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนั้นมันเองแทนไหมแทนไหมนี่นี่นี่เรียกว่าไม่ต้องการให้น้ํานั้นมันมาท่วม น้ำราคะน้ำโทสะน้ำโม a, หะนั่นคือน้ำแห่งความทุก pues ข์น้ำแห่งความทุกข์ที่มันท่วมจิตท่วมใจท่วมอยู่ทั้งโลกท่วมทั้งกลางวันท่วมทั้งกลางคืนไม่ว่ามุมโลกไหนถ้าไม่ปฏิบัติมันหลุดจากน้ำ nada, <lle> นีำ anymore, ้ไปมันก็ท่วมอยู่นั้นท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกอย่างนั้นนี่ น้ำไหนจะน่ากลัวกว่าลองคิดดนูน้ำไหนจะมันน่ากลัวกว่าแล้วท่วมไปสมว่าเร า, เราอายุแปดสิบท่วมไปจนเราอายุแปดสิบมันจึงจะตายท่วมมันกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งท่ให้เรามีความทุกข์อยู่อันนี้อั น, นี้มันท่วมหกวันเจ็ดวันสิบวั น, นแล้วก็จบไปแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเรายังมีสติปัญญา เมื่อเรายังมีสติปัญญาเพราะนา้ำราค้าโทสะโมหะมันไม่เข้าไปท่วมเรายังมีสติเรายังมีปัญญาเราสามารถที่จะคิดคิดเสร็จแล้วก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นว่ากันไปแล้วก็ดูจิตดูใจของตัวเองเออเมื่อก่อนของเราก็ไม่มีเดีย๋ยวนี้มันมีขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปยึดมัน่นถือมันม่นมัน่นมันมีก็มี นีก็เท่ากับว่าไม่มีนี่เรียกว่าต้องทําใจทําใจก็คือเราจะต้องมีสติปัญญาแต่ถ้าน้ามมนออนํามันท่วมเอาน้ําราคะโตสาโมหะมันท่วมจิตเราสติปัญญาหายหมดทีนี้ไอ้ที่เราทํามาหากินนี่ใช้สติปัญญาสติปัญญาในการประกอบอาชีพต้องศึกษาและเล่าเรียนมา อีสติปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของอาชีพก็ดีในเรื่องของชีวิตก็ดีในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีต้องใช้สติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาความทุกข์มันเข้ามาเพราะน้ําราคะนั่นแหละมันเข้ามาเพราะน้ําโทสะนั่นแหละมันเข้ามาเพราะน้าําโมหะนั่นแหละมันเข้ามาเพราะน้านนํ า, า, วาพวกนี้มันเข้ามาสติปัญญาก็าหาย อายมันก็มีแต่ความโง่ลองคิดดูดิว่าตอนนี้เราไม่มีอายุเท่าใดทีนี้จนกว่าจะถึงแปดสิบปีเน่มันทุกไปอีกกี่พันกี่ร้อยอ ก, กี่หมื่นครั้งมันมีแต่ทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีทุกแล้ว ท, ทุกอกีให้น้ำนี่มันท่วมให้น้านี่มันท่วมทับแล้วทำไมทำไมเราไม่จะแสวงหาก่อ ทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งพุทธัทงจรรนางคัจจางิจรรนางคือที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นกออะพระธรรมพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีสติมีปัญญาที่สงบเย็นอยู่ภายใน พระธรรมก็คือตัวสติปัญญาที่สงบเย็นเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอราหารันต่้นก็หมดความยึดมั่นถือมัน่นฉะนั้นเราจึงเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นกาเอาพระธรรมมาเป็นกาเอาพระอริยสงฆ์หรือพระอราหันต์มาเป็นกาก็คือเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวในด้านจิตของเรา อายกิเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นดังนั้นเราจึงเปล่งวาจาว่าพุทธทางเจรินังคัจจามิธรรมังจรินังกัจจามิสังฆังเครรินังคัจจามิตุติยมตัดดิยมแม่ครั้งที่สองครั้งที่สามกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้ง ก็เอาพระพุทธเจ้าคือสติปัญญาที่ทําให้เกิดความสงบเย็นขึ้นมานั่นแหละเอามาเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือตัวเดียวคือที่พึ่งของเราเพราะนั้นคนสมัยโบราณคว่าแลบขึ้นมาพุทธังธรรมังตังกังพุทธังธรรมังตังกังตกร้องตกกลัวอะไรก็พุทธังธรรมังตังกลางทำไมปราดพร้างอะไรขึ้นมาพุทธังธรรมังตังกัง นี่แสดงว่าก็มีพุทธทังธรรมังฉังขังอยู่ในใจใหเห็นไหมอยู่ในใจแค่นั้นนะี่แหละสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาคล้องไว้ที่ใจไม่ต้องคร้องคอครองไว้ที่ใจเมื่อคล้คองไว้ ท, ไวที่ใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตกับใจแล้วเป็นยังไงทีนี้คนนะั้นก็ไม่กลัวตายดิเขาไม่กลัวแก่ดิเขไม่กลัวเจ็บดินี่ ก็ก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวบ้าบินไม่กลัวด้วยการมีเหตุมีผลคือเห็นว่าทุกอย่างวันเป็นอนิจจังทุกอย่างก็ไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาทุกอย่างเป็นสุญญตาทุญญตาว่างจากตัวตนตื่นเช้าขึ้นมาแขวนพระเครื่องทันทีเลย ไม่ใจไปเอาพระเครื่องมาแขวนคอตื่นเช้าขึ้นมาแขวนพระเครื่องยังไม่ทันลืมตาเลยลุกขึ้นนั่งเออวันนี้จะภาวนาอะไรอ้าวจึงตั้งปวงว่างจากตัวตนจึงตั้งปวงว่างจากตัวตนจึงทั้งปวงว่างจากตัวตนเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนทางนั้นนี่ก็เลยสบายไปเลยวันนั้นก็สบายไปตั้งวันเลย เรเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตน news. จิตเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนเห็นจิตว่างจากตัวตนเห็นกายว่างจากตัวตนเห็นเวทนาว่างจากตัวตนเห็นสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลว่างจากตัวตนหมด hiking. เห็นว่าว่างจากตัวตนเป็นยังไงทีนี้นี่เลยคือผลที่เห็นอนิจจังเดินบันไดเยีบบันไดขั้นที่หนึ่ง เยียบ yeah, บันไดขั้นที่สองเยียบบันไดขั้นที่สามเยียบบันไดขั้นที่สี่โอ้โล่งไปโล่งไปเลยทีนี้นี่เลยคือบันไดบันไดที่จะทำให้เราหมดความทุกข์ให้เราหมดความทุกข์อันี้เราจะปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติไปแต่ให้มันต่อเนื่องหรือว่าปฏิบกกัติให้มันอุกกลิบให้มันอุกกลิบคือให้มันเข้มขน้น ถ้าเข้มข้นก็แบบกระจกูบานตาบอดถ้าเข้มข้นก็ตาบอดถ้าไม่เข้มขน้นแต่ตาน้า ก, ก็ยังดีตาในก็ยิ่งแจ่มใสขึ้นแจ่มใสขึ้นเขาอะไรตาน้า ก, ก็ไม่ถูกยึดถือหู ก, ก็ไม่ถูกยึดถือจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ถูกยึดถือก็ทําหน้าที่ไปในเรื่องของตาก็ทําหน้าที่ไปแต่ว่าจิตภายในกูจะไม่ยึดมัน่นถือมั่นมึง ว่ามึงเป็นตาของกูหูของกูจมูกของกูลิ้นของกูไตของกูใจของกูมีไว้ใชฉแก่นั้นเองอมีไว้วไฉแก่นั้นเองไม่กล่าวไปยึดมั่นถึงมันนี่การปฏิบัติที่ค่อยๆปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปสบายๆายแต่ว่าไม่เว้นระยะไม่เว้นระยะนี่เรียกว่ามีความเพียรติด ต่อมีความเพียนที่ติดต่อกันนี่ทําอย่างนั้นนี่เราจะเอาแบบไหนบกบอกถามตัวเองว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบเข้มข้นหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เข้มข้นก็ได้สุดแล้วจะเราแต่ว่าอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาพระนิพพานอ้าวไม่ได้อีกแล้วพระนิพพานนะคือจิตที่มันดับ ดับแล้วมันว่างจากตัวตนเมื่อมันว่างจากตัวตนเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนเห็นจิตว่างจากตัวตนตาหูว่างจากตัวตนอรเห็นธรรมชาติทุอย่างว่างจากตัวตนมันเลยจะไปยังอะไรอีกนิพพานมันอยู่ตรงไหนนิพพานมันอยู่ที่ไม่ยึดมั่นคือมั่นว่าไม่ยึดมั่นถือมันโดยเด็ดขาดมันก็ว่างจากตัวตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ จะไปเอาพันนี้ผ ok ่านที right ่ตรงไหนอีกไอ้นี right ้บางคนก็โน่นจะไปเอาพลันี้ผานในชาติหน้าชาตินี้ชาตินี้ที่มันจ่ออยู่นี่ยังไม่เอาเลยจะไปเอาชาติหน้าโง่มันในทุกชาติได้อย่างนั้นโง่มันทุกชาติเอาชาติหน้าที่มันใกล้ใกล้ที่ตรงนี้ชาติหน้าที่มันใกล้ใกล้นี่อนาคตที่ใกล้ใกล้ที่ตรงเนี้ไม่ใช่อนาคตโน่นไปเกิดชาติหน้าไม่ใช่อ่า จากเวลานี้ไปก็ก็เรียกว่าอนาคตแล้วอนาคตอันไกลไกลอนาคตอันกลางกลางอนาคตอันไกลไกลใกลไกอย่าเอาอนาคตอันไกลๆอย่าเอาอนาคตในชาติน่านู้นเอานาอนาคตที่อยู่ใกล้ๆที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าอย่าไปเอาชาติอื่นเลยเอาชาตินี้เนี่เอาชาติปัจจุบันนี่แหละ ชาติปัจจุบันที่มีอายุประมาณตัก70ปี80ปี90สปีในระยะนี้แหละเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลย้าลยาชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรคุณรู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรแต่ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวนมันชาติหน้าที่ไหนมันมีปัญญาที่ไหนพวกนั้นเน่ยจะเกิดเป็นวัวเป็นควายจะไปเอาอะไรที่นี้นี่เนี่เกิดมาเป็นคนเนี่ยดีแล้วเกิดเป็นเป็นคนยกระดับจิต ของตัวเองด้วยการรักษาศีหน้ามีศีหน้าพอมีศีหนก็เรียก ว, ว่าเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปไต่เต้าขึ้นไปไต่เต้าขึ้นไปนี่เป็นยังไงทีนึงก็โูงขึ้นโูงขึ้นโูงขึ้นโูงขึ้นจนอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกโน่นเหนือโลกอยู่เหนือจักรวาลโน่นอยู่เหนือโลกก็อยู่เหนือความทุกข์ที่นั่น โลกคือทุกทุกคือโลกโลกคือทุกทุกคือโลกนี่ไอ้อยู่เหนือทุกก็คืออยู่เหนือโลกไม่เอาลาบมีลาบก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมียศก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีฉันเสริญก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีความทุกความฉุกก็ไม่ยึดมั่นถือมันมีถ้าไบมวยึดมั่นถือมั่นมีราบก็ยึดมั่นถือมันมียศก็ยึดมั่นถือมั่นมีความฉุกก็ยึดมั่นถือมัน สันเซอเขยึดมั่นถือมั่นก็เลยมีแต่ความทุกข์เลยมีแต่ความทุกข์นี่แต่ว่าจิตที่มันไม่สูงแต่นั้นต้องทําจิตนี่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นมนุษย์เต็มขั้นนี่เป็นมนุษย์เต็มขั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้แหละนี่ต้องเอาที่ตรงนั้นแล้วต้องเอาในชาตินี้ด้วยอยไปเอาในชาติอื่นเอาชาตินี้ล ชาตินี้ประมาทอยู่แต่ชาตินี้ตกนรกหรือชาติหน้ามันก็แน่นอนอยู่นะแต่ระวังชาตินี้อย่าให้ตกนรกทางตาก็ไม่ตกทางหูก็ไม่ตกทางจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ตกไม่ตกไม่ตกนรกเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันราจกยทิติวิกิกิจชาสีลปตาปรมาตเมื่อท่านละไป ตัวสามตัวเหล่านี้แล้วนรกไม่มีทางที่จะมากล้ำกลายพระโสดาบันได้ท่านหนีนรกได้แล้วพระโสดาบันอันนี้พอไปพระจะกครกีตาคามีอนาคามีจนถึงพระอาหารหันต์นีอย่าไปเป็นพระาารในชา ต, นาาชาตินู้นเอาแต่ชาตินี้ทางนั้นเลยในชาติปัจจุบันนี้แหละชาติปัจุบันนี้แหละอย่าไปเอาชาติไหนไหๆมันไกลไปเลยทีนี้ เราก็จะได้อยู่อยู่กับใครอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระอรหันต์ทั้งหลายคือยู่กับพระอริยสงก็อยู่ที่ไหนอยู่กับพระพุทธเจ้าได้อยู่ในประเทศอินเดียลจะไปทำไมล่ะมีแต่ขี้แขกพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเอาตัวกูออกไปพบพระพุทธเจ้าเอากองกูออกไปพบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือจิตที่สงบเย็นอยู่ที่ตรงนั้นไปอินเดียจะกี่รอบ ก, กี่รอบ ก, ก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าหรอกไม่เจอแต่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่อย่าเอาจิตมาเป็นตัวกูอย่าเอาร่างกายมาเป็นของกูอย่าเอาอะไรมีก็มีไปเป็นก็เป็นไปแต่อย่าเอามาเป็นตัวกูของกูมีไปใช้ไปตามกฎหมายาก็มีอยู่แล้ว ก็ควบคุ้มครองอยู่แล้วกฎหมายที่ดินอย่างที่ดินอย่างนี้อ้าวที่ดินที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นของใครเป็นของพ่อเป็นของแม่แล้วก่อนพ่อก่อนแม่เป็นของใครของปู่ของย่าก่อนปู่ก่อนย่าเป็นของใครเป็นของทวดก่อนทวดเป็นของใครนับไม่ถูกแล้วทีนี้นับไม่ถูกแล้วเป็นของใครมาจับมาจอ ทาห ม, มากินต่างหากยัยกไย ง, ง, งไม่ต้องไปยึดถือนีของกูของกูของกูไม่ต้องไปยึดถือมันไม่ต้องไปยึดถือมันเป็นธรรมาชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งร่างกายนี้ทำหมากินกับที่ดินน oh <zag iendo> ี้ด้วยการปลูกข้าวด้วยการทานาด้วยการทาสวนยางทมอะไรก็ทาไปมันใช่ของกูมัน <Exc lusive> hm ไม่ใช่ของกูทาไปแต่มันไม่ใช่ของกู Auth <m> <human> ได้มาก็ไม่ใช่ของกูเนี่มันไม่ใช่ของกูทางนั้นพูดว่าของกูแต่จิตอยากข้าวไปยึดมั่นถึงมัน่นว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูข้าไปยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้ใครบ้างห้ามความหนุ่มความสาวได้ใครบ้างห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายได้ห้ามไม่ได้หมอเทวดาไหนก็มาห้ามไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ ในเมืองจีนสมัยหนึ่งนะในสมัยหนึ่งที่ปกครองด้วยพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิบอกไงราชบริพาณบอกว่าเออนี่พวกคุณไปหามาที่ไอ้พวกไอ้เรียกว่าไอ้ของมนุษย์เนี่ยไอ้เรื่องของมนุษย์เนี่ยไปไปไปเขียนมาไปเขียนมาไปเขียนมาเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง มันมีอะไรบ้างเรื่องของมนุษย์เนี่ยในโลกนี้โอ้พวกนักปราชทั้งหลายก็ไปทำเหมือนกับทำอะไรนั้นทำไอ้วิทยานิพนธ์อย่างนั้นไอ้ทำกัน2องปีสามปีเป็นยังไงยังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะเอาเป็นยังไงอีกยังพระเจ้าค่ะโอ้ทีนี้มีนักปราช์คนหนึ่งนักปราชที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็ทำไม่ ไม่กี่นาทีเขาก็จบแล้วเขาบอกว่าชีวิตของมนุษย์นี้ไม่มีอะไรมีเกิดแก่เจ็บตายแค่นั้นเองมีเท่านั้นเองเกิดแก่เจ็บตายสี่ตัวจะเขียนยังไงทั้งสามปีเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนักประดคนนั้นก็บอก ว, ว่ามนุษย์เนี่ยมีสอย่างแค่นี้เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเท่านี้ เห็นไหมนี่จบแล้วจบแล้วเรนนี่เอาไปของพระพุทธเจ้าอะไรไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ๋ออายสั้นกว่านั้นไม่มีกูอืมแล้วใครมันจะเกิดใครมันจะกแก่ใครมันจะเจ็บใครมันจะตายว่าไม่มีกูว่าไม่มีกูกอ๋อต่อไปอีกว่าว่างจากตัวกูอ่าว่างจากตัวกูมีตัวกู แต่ก็ไม่ใช่ตัวกูนี่ไอ้ภาษานี่มันดิ้นได้เยอะแยะไปหมดดิ้นได้แต่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ตัวกูนี่ถ้าเราเอาให้มันสั้นก็นมาอีกว่างตัวเดียวว่างว่างว่างว่างก็คือว่างจากตัวกูนั่นเองีนี้ถ้าจิตว่างจากตัวกูทุกสิ่งทุกอย่างรู้ด้วยจิตทางนั้นเลยร่างกายก็รู้ด้วยจิตจิตก็รู้ด้วยจิต แับปสิ่งในโลกในจั ก, กรวาลก็รู้ด้วยจิตแต่เสร็จแล้วจิตมันรู้จิตเองอยู่ว่างจากตัวกูถ้าจิตเองว่างจากตัวกูก็กระเท่ากับว่าไม่มีจิตมีจิตแต่ว่าไม่มีจิตเพราะจิตนั้นมันว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูเสียแล้วความเกิดมันจะมาจากไหน ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาจากไหนว่างหมดนี่คือจิตว่างจิตว่างนี่คือจิตว่างถ้าจิตว่างแล้วก็ไม่ต้องเกิดเกิดอะไรเกิดตัวกูนีจิตว่างแล้วไม่ต้องเกิดตัวกูว่าไม่เกิดตัวกูความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์มันก็ไม่มีเพราะมันว่างจากตัวกูเสียแล้วมันมีแต่สติปัญญาเห็ะนะื่อกูหนุ่มกูสาว ก็ไม่ใช่กูเจดว่าดมันจะบอกกูนมกูสวยก็ไม่ใช่กูกูเหล่าก็ไม่ใช่กูกูแก่ก็ไม่ใช่กูกูเจ็บก็ไม่ใช่กูกูตายก็ไม่ใช่กูอา้าวยาวไปไม่ใช่กูสามตัวยาวไปเวลาจะตายเดี๋ยวมันเอาไม่ทันเอาไม่ทันทํำยังไงทีนี้เอาไม่ทันว่างจากตัวกูอา้าวยาวเอาภาวนาตัวเดียวพอ ว่างว่างวงวางวางว่างหายใจเข้า uh. ว่างหายใจออกว่างพอเด็ดแล้วมันจะหมดเราหมายใจอยู่แล้วว่างว่างว่างว่างวางวงวงวงวางพลุดออกจิตจิตที่มีปัญญาหลุดออกไปหลุดออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตว่างแล้วอ้าวเด็ดแล้วร่างกายก็ค่อยๆดับลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิด จนหมดลมเรนนี้จิตว่างเป็นอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบนั่นแหละจิตว่างมันมีอยู่แล้วโลกนี้จะเกิดก็ดีไม่มีก็ไม่มีโลกนี้ก็ดีจะก่านนี้จะมีหรือไม่มีก็ดีแต่ว่าจิตว่างเป็นธรรมชาติที่ว่างจากัวตนเมื่อจิตว่างทุกอย่างว่างหมด ก็ว่างหมดเจะเข้าไปยึดถืออะไรทีนี้นี่ความเกิดก็ว่างความแก่ก็ว่างความเจ็บก็ว่างความตายก็ว่างทีนี้เมื่อคนนั้ น, นสมมติว่าเขามีอายุหกสิบหกสิบก็เริ่มเข้าวัยชราแล้วอ้าวเขาว่างแล้วเขาอยู่ไปถึงแปดสิบโอ้ได้กําไรทั้งยี่สิบยี่สิบปีว่างอยู่ได้ยี่สิบปีอ่าเจ็ดว่างอยู่เฉยๆทําไม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เพื่อนมนุษย์ที่ก็มีความทุกขนะ์เน่เพราะจิตก็ไม่ว่างอ้าวใครต้องการที่จะให้แก้ความทุกข์เอาพูดได้ก็ฟังที่ต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยเหลือเขาอย่างนี้อย่างนี้ช่วยเหลือคนอื่นได้ตั้ง20ปีนตัวเองจิตว่างแล้วด้วยช่วยเหลือผู้อื่นอีก20ปีอีกอ20ปีอีกแล้วอย่างนี้จย่างไปไหนเนี่ย มันมีแต่ภูมิใจภูมิใจเก่ยบอกไม่ถูกกันนี่คือเรียวกว่ามีสองอย่างเท่านั้นกิจกรรมที่เราเกิดมาในโลกนี้มีสองอย่างหนึ่งช่วยเหลือตัวเองสองช่วยเหลือผู้อื่นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือตัวพระองค์เองจนถึงอายุเท่าไหร่ลองคิดดูดิพอ35เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าจนถึง80ดสิบ ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นสี่ิบห้าปีเห็นหมอันี้เราไม่ต้องอย่างนั้นเราไม่ต้องอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยการปฏิบัติเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองด้วยการปฏิบัติจนลุล่วงไปได้ด้วยดีเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นงานมีสองอย่างตานี้ช่วยเหลือตัวเองกับช่วยเหลือผู้อื่นแต่นี้เป็ น, ปนยังไงแปดสิปี ช่วยเหลือตัวเองหมดช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสามีภรรยาช่วยเหลือลูกช่วยเหลือหลานช่วยเหลืออยู่ช่วยเหลือในทางวัตถุอย่างเดียวเสร็จแล้วเป็นยังไงก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองมันแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าช่วยเหลือนั่นเห็นไหมจนถึงมาบัดนี้ จนถึงบันนี้พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยเหลืออยู่โดยเรียกว่าพระปัญญาคุณพระบุดดิทติคุณพระหมหาการุณาธิคุณของพระองค์นั่นแหละที่ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่และอยู่ที่ใครอยู่ที่เรานี่เรากอบโปยไหมเอาไหมถ้าปัญญาคุณเอาไหมก็ปฏิบัติ ด, ดี แล้วก็พระบดีสุตติคุณเอาไหมก็ปฏิบัติที่พระมหาการุณธิคุณเอาไหมก็ปฏิบัติที่เราปฏิบัติเราก็ได้นั่นพระคุณของพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ที่เราถ้าเราปฏิบัตินี่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่แต่ kind of ตัวกูของกูตัวกูของกูตัวกูของกูอยู <believing S 2> ่อ <Staff> ย่างนั้นเลอยู่อย่างนั้นตัวกูของกูอยู่อย่างนั้นจนตายเลยเป็นหมันเป็นหมันทาไมเรียกว่าเป็นหมัน่ คนเป็นหมันก็เรียกว่าคนที่ไม่มีลูกคนไม่มีลูกนี่คือเป็นหมันในเรื่องของภาษาคนแต่ว่าภาษาธรรมะภาษาธรรมะจะมีลูกมีหลานในเต็มบ้านเต็มเมืองก็เถอะแต่เสร็จแล้วคนนั้นไม่ได้ตายทอดธรรมะไม่ได้ตายทดอดความสงบเย็นหรือพระธรรมเนี่ยพระธรรมคือความสงบเย็นนี้แก่ผู้อื่นไอ้นี่ก็ตายไป โดยเป็นหมันแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เป็นหมันท่านไม่ได้เป็นหมันเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็สอนสอนสอนสอนสอนสอนสอนมีแต่สอนกันชีวิตของท่านก็ดับไปชีวิตที่เป็นส่วนร่างกายดับไปแต่ใจแล้วลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเขาถายที่ถ่ายโทษไปก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วอ้าวจบความจาเลยก็ ทอดกันไปอีกตายทอดกันไปอีกตายทอดกันไปอีกแล้วมันจะสิ้นหรือพระอรหันในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตราบใดที่ยังมีอริยมักมีองค์แปดตราบใดที่ยังมีคนเดินตามพระอริยมักมีองค์แปดนั้นพระอรหันก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้เห็นไหมนี่แล้วเดี๋ยวนี้นก็ยังมีนั่นแหละต่ว่า ถ้าเราไม่มีดวงตาเราก็ไม่เห็นถ้าเรามีดวงตาคือตาปัญญาเราทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นดิวันนี้คืนนี้ค่านี้เป็นวันเริ่มต้นของการก้าวขออปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดกันเรื่อยๆต้องปฏิบัติกันให้มันเข้มแข็ง เข้มแข็งตามความสามารถของเรานั่นแหละแต่อย่าอ่อนเอให้กิเลสให้ตัณหามันเราต้องจริงจังกับมันอย่าให้กิเลสตัณหามันมาพูดว่าโอยากใครเป็นคนพูดอยากกิเลสตัณหามันพูดมันออกหน้าแล้วพอพูดว่าอย่างนั้นเนี่ยมันออกหน้าแล้วบอกว่ายากยากโอ้ามันเองว่าแต่มึงไม่ตายอยู่เพราะกิเลสตัณหาน่มันกลัวตายเพราะนั้นมันกลัวตาย มันกลัวตายมันกลัวร่างกายตายทีนี้สติปัญญาไม่กลัวดิไม่กลัวตายเพราะสติปัญญามันรู้ว่ามันก็ตายอยู่ลยแล้วแล้ไปกลัวมันทําไมกลัวมันโง่ทําไมมันก็ตายอยู่แล้วทีนี้ก็ทําให้มันดีที่สุดดิทำก่อนตายทำให้มันดีที่สุด ด, ดินี่เรียนมาต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการฝังควงแล้วต้องปฏิบัติ ทีนี้สมัยนี้อาจารย์มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องรู้จักเลือกเลือกเอาเองเลือกด้วยสติปัญญาถ้าควัางแล้วยังครังแครงใจอยู่เอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเอามาคิดแล้วมาปฏิบัติแล้วดับทุกข์ไม่ได้คว่างติ้งไปเลยไม่ต้องเอาเอาไปไหนมันดับทุกข์ไม่ได้ต้องงอี่ วางแล้วออกมาปฏิบัติพิสูจน์แล้วดับทุ ก, กได้เอาเลยอย่างนั้นเอาเลยเอาเลยนี่นี่เรียว่าพิสูจน์ไม่ต้องยากไม่อยากไม่เย็นจากร้อยอาจารย์จากพันอาจารย์ก็ได้อาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้เอามาพิสูจน์ดับทุ ก, กไม่ได้ไม่เอาจันหัวเลยอย่างนั้นจันทรหัวเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉะนั้นถ้าหากว่าเรา ฟังแล้วไม่เอามาปฏิบัติแล้วเอามาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไหวหมดเรียกว่าหมดหมดเวลาหมดเวลาพอดีฉะนั้นตรงที่สูตรด้วยการปฏิบัติถ้าดับทุกได้เอาดับทุกขไม่ได้ไม่เอาอไม่เอาเรื่องมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเรื่องการามาตรูดก็ตั้งสิบข้อแต่เสร็จแล้วย่อแล้วเหลือข้อเดียวเอามาดับทุกไม่ได้ไม่เอา อก็เดียวแค่นี้นี่สั่นๆย่อๆย่อที่จุดแล้วอา้าวก็เป็นน่านว่าการบรรยายในคำเืนนี้ให็นว่าพอสมควรแล้วขอความจุกความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์แปดหรือตามที่ได้พูดมานี้จงทุกทุกท่านตื่น อนั่งจำฮาทิจะบปักหนึ่งไม่ใช่กู้ให้ใจข้าวไม่ใช่กู้ให้ใจออกไม่ใช่กู้แล้วก็คิดใไม่ใช่กู้นี่มันอะไรไม่ใช่กูนี่มันใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่มันใครเนี่ยคิดละ